ยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจด้วยการทําความรู้สึกตัวเนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้าถึงได้ทําอะไรให้มันเร็วๆขึ้นหน่อยนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเวลาทําความเพียรคิดว่าเราน่าจะมองเข้ามาข้างในได้เรื่อยๆเลยสติน่าจะดีขึ้นความรู้ตัวน่าจะแหลมคมแหลมคมที่เจาะเข้ามาหาจิตเราได้เจาะไปความวงทะลุไปได้เจาะความฟุ้งซ่านทะลุไปได้ ไอ้ที่ไม่ได้นันคงไม่มีเนียเพียงแต่ว่ามันจะเข้าลึกตื้นนะบางทะลุปไปเห็นความว่างมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่นั่นนี่ใส่ใจเอานะเดินลุงตาเดินไปเดินมาเนี่ก็เท้าแตกแล้วเนี่ยเนีเท้าแตกแตกเยอะอยู่นะโยมจะสังเกตเวลาลงตาเดินไปสอบรมจะได้ยินเสียงพ่อ <c oughs> เรนเดินมาอ๋อเท้าแตกเสียงเท้าแตกเดินไปที่นนที่นี่มันแตกเยอะนี่ก็เอาครีมมาอยู่นะครีมหมอเขาส่งครีมมาให้ครีมปากนกเขาเอามาหนีบฉีกออกไม่ใช่ครีมทานะครีมเทสิยงพวง มันไม่มีอะไรจะทำหมอก็เกินไปหมอที่นี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรอกบางทีเขาก็ส่งกาวตาช้างมาให้ให้มาซีนเอาทาเอามันอยู่หนังตีนนะปัญหาหนังตีนเนี่ยแต่โอ้ยอย่าโยมลงตาใจให้เห็นหลวงปู่สังที่วัดอย่าลืมพลาดชมนะหลวงปู่สัง ตีนห่อไว้เอาอยางยางไม่ติ่วรู้จักไม่ติ่วไหมยางติ่วกินได้หรอกต้นมันนะ่ะนั่นแหละทาเนี่ยพอเดินท่านจะห่อตีนเราตีนท่านก็ห่อไปบินทบาทเดินแล้วเลือดออกนะเลือดออกเจ็บเพราะว่ามันแข็งแล้วมันอาน้าวเป็นอะย่าง่อไน่ น, น, น์แล้วมันเจ็บแล้วเลือดออกของท่านเลือดออกแล้วทรมานมาก เดินไปเดินมาเนี่ยแล้วมือท่านก็แตกมือแต่มือก็หออ่อใส่ถุงมือนะเหมือนบุรุษพยาบาลใส่ใส่ถุงมือซักผ้าไม่ได้หล้มปูนะล้มปูซักผ้าไม่ได้พอซักผ้าแล้วแพ้ผมซักฟอกแล้วจะแตกไปหมดเลยเ ล, เลือดออกมือเนี่ยแต่ไม่หยุดไม่ถอยนะ หลวงตาก็เห็นท่านเป็นคนมีความเพียรคนหนึ่งน่ะหลวงปู่สังเนี่ยขนาดเลือดแตกตี น, เ, นเลือดออกนะเดินไปมือนี่ก็เลือดออกออกไปมือเซักผ้านี่ไม่ได้เลยนะะอยากใช้แต่เครื่องเครื่องซักผ้านะไม่อยากใช้มือเพราะใช้มือไม่ได้ถ้าก็ได้ห่อมือไว้เอาผ้ามาพันๆไว้บพรมันแตกแต่ท่านก็อยู่ได้เอาไว้ปั้นข้าวอย่างเดียวท่านก็สู้ตาย เป็นคนควนขวายมากเมื่อไม่นานมานี้ก็ไปซื้อหนังสือเครื่องเทศหนังสือเครื่องเทศอยากเทศเป็นหนังสือนะเห็นซอสีวลักษ์เทศเก่งมากเทศขึ้นไปแสดงทำนะลงมาลงตาเทศเก่งเนาะซอสีวลักษณ์เนี่ยพราะั้นลงปู่อยากเทศเก่งไหมโอ้อยากเทศเก่งลงตาช่วยหน่อยเนี่ยผมก็ใช้หนังสือนี่นะวะ เขาขายของอยู่ร้านซีเอ็ดหรือร้านอะไรนี่นั่นนะซื้อเล่มหนึ่งเครื่องเทศท่านเข้าไปโยมราคาเล่มเทหรน่นี่เครื่องเทศมันไม่มีน น, นูโกรั น, นเครื่องเทศ1ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทค่ะขอจะมาหน่อยได้ไหมเอาร้อยหนึ่งได้ไหม โอ้หลวงปู่มันีไม่ขาดโด น, นเอาไขายให้พระเนาะค่ะๆก็ได้ค่ะหลวงตารอผมนี่นะผมไปยืมเงินแม่จีมวยมายืมเงินแม่จีมวย ม, มาเธอซื้อมาเลยเขาใส่ทงให้เอามาอ่านดูอีกคั้งหนึงเครื่องเทพเขามาใส่กระเป๋าใส่ย่ามไปพระมองเห็นทั้งอื่นมองเห็นหลวงปู่เอามาดูหน่อยหลวงตาพรซื้ออะไร อ่ะยังม่ยุ่งทะเครื่องเทศเครื่องเทศต่อไปนี้ก็าคูจะเทศสนั่นปั่นพื้นแล้วเอาหลวงปู่ว่ะครับต่อไปผมจะเทศกว่าหลวงตาละบาทดิแค่ว่าเห็นไหมแปดสิบสี่ปีแล้วหลวงปู่เจริญอยู่ด้วยกันเห็นผมก็จะเทศเป็นที่หลวงปู่สังมาให้ผมดูหน่อยซื่อเอาแล้วความฝของมันละเนาะเทศไปเทศมันหลวงปู่เลินก็ไปเปิดดู เอ้เราจะเทศยังไงนี่ครับหอมบ้างกระเทียมบ้างมะเขือเขือเทศยังไงล่ะลุงปู่เลินก็ฐานลุงปู่สั่งว่าจะเทศกันยังไงเนี่ยเราสองเอาก็เทศตามนั้นแหละก็มีเห็นให้เขาเขียนว่าเครื่องเทศนะ ย, นนยังไม่ได้ดูนี่เนี่ยอ่านแต่เครื่องเทศก็พอจะไปอ่านอยู่วัดตนั้นก็ขอดูคนนี้เปิดตัวนั้นเปิดตั ว, ดดวนี้มีแต่เครื่องเทศเท่านั้น โลตาเขไม่รู้จะวายยังไงเอาผ้าปิดปากก็รีบเดินหนีเกย์กยก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงขูว่าเจาะไปหลวงปูเงเ่เอามาบังเน่มาดูในนะเปิดไปเปิดมาเฮ้ยทำไมซื้อหนังสือนี่เนาะแตลกนะเอ้าก็เครื่องเทศเนะาะขัวเจาะเครื่องเทศจนะไหนนี่เครื่องลาบะเครื่องลาบลาบก้อยนี่นะเออเครืงลาบจะไหนเนา ะ, นะใส ดูดิแม่มึงปะนะัญหาตายลุงตาต้มกุตินิปนะลุงตาต้มกูนะเนี่ยต้มได้จังไงลุงตาลุงตาไปแล้วไกลแล้วไม่ได้ต้มนะก็บอกไลยจะได้เครื่องเทศเอที่เครื่องเทศท่านก็ได้เครื่องเทศไปท่านก็ไม่รู้ว่ า, างเ้ยท่านก็หัวเลาะตัวเองนะลยนะเลาะมัดตังลอยหนึ่งปุณณ์นาะซื้อเครื่องเทศว่าจะเทศได้ดี ท่าไม่ได้มาถ้าท่านมาเนี่ยหลวงตากกจะให้เทศเครื่องเทศเนี่ยว่าใส่หอมกระเทียมแล้วมันเป็นยังไงนะะหัวหอมเนะทศไปจะเอามาเปิดไปเปิดมาหลวงปู่เลินดอยหลวงปู่ช่างโอ้ไม่ได้หรอกแบบนี้ะนะเอาไปให้แม่ครัวซะเทศ่เอาไปให้แม่ครัวเทศแม่ครัวก็หัวเราไม่รู้จะว่ายัางไงนะท่านญาติโยมทั้งหลายก็ดูดีๆนะหลวงปู่ท่านเป็นคนปล่อยวางมาก ปล่อยวางนะไม่ยึดนี่หลวงตา ม, มาอยู่นี่ก็ได้ยินข่าวว่าท่านขุดสะขุดสะด้วยจอบนะเอาจอบขุดสะนะสาะได้เป็นลูกนะไม่ใช่ธรรมดาด้ยจอบขุดแล้วใส่บ้งกีแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแข็งแรงมาก เตือนจุ ก, กลมกว่าขยันกันแข่งคนได้อารมณ์พระท่านเยอะแยะไปเอา้าตั้งโ อ, อกตังใจเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนั่งกูเขาขึ้น